ที่หลวงตารูปหนึ่งลงไม่ทันเพราะไปเข้าห้องน้ำอยู่เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีจึงไม่กล้าลงท่านต้องวิ่งขึ้นรถไฟตามไปทิ้งคณะผู้แสวงบุญไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำทัวร์จัดการพาไปวัดไทยพุทธคยาเนื่องจากคันที่ท่านวิ่งขึ้นเป็นคนละคันกับที่หลวงตาลงไม่ทันและไม่สามารถเดินทะลุ ถ, ถึงกันได้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 ด้วยว่าผู้โดยสารคนอื่นๆลงกันหมดแล้วที่หลวงตาถึงกับอาพาธเพราะทั้งหนาวทั้งหิวไม่ได้ฉันอาหารถึงสองมือ้อซึ่งถ้าเป็นขฤหรือหัดก็เท่ากับอดอาหารติดต่อกันถึงสามมือ้อท่านจึงหมดเรียวแรงนั่งหลับอยู่แต่ผู้เดียวกว่าจะหอบหิว้วหลวงตากลับมาวัดพุทธคยาได้พระมากุเทศก็แทบจะอาพาตตามไปด้วยอีกรูปหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น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 จะมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้สมภารวัดป่ามะม่วงบรรเทาความหนาวเหน็บด้วยการเจริญเตโชกสินโดยกำหนดนึกเอาไฟธาตุในร่างกายเป็นอารมณ์แต่เมื่อเห็นบรรดายาจกเข็นใจซึ่งนอนขดเรียงกันอยู่ที่สถานีรถไฟท่านก็เลิกเจริญเตโชกสินเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้แล้ว ท่านก็โชคดีกว่าพวกเขาหลายเท่าโชคดีที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยไม่เคยขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่แต่คนเหล่านี้แล้วท่านรู้สึกเสะเทือนใจจนต้องกำหนดสงสารหนอพวกเขานอนกลางดินกินกลางทรายไร้ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าหรือก็พอปกปิดร่างกายมิให้แลดูอุดจาดแต่ป้องกันความหนาวเหน็บไม่ได้ชช้งหน้าเวทนานนะักเสียงพระมะกุเทศเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าญาติโยมเดินระวังระวังหน่อยนะอย่าไปเหยียบหัวแขกเข้าละ่ะบ้านเราไม่มีให้เห็นแบบนี้นอกจากคนซึ่งนอนเกะกะขวางทางเดินแล้ว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 เห็นหนอรายงานว่าตอนตีสี่ขณะที่เขากำลังนอนขดตัวหลับอยู่นั้นได้มีลูกโคตัวหนึ่งขึ้นมาไม่เห็นแม่โคจึงเดินตามหาและได้เหยียบถูกด้าปากเขาเป็นแผลลึกแม้จะรู้สึกเจ็บและทรมานเขาก็ไม่โกรธลูกโคตัวนั้นเพราะในความนึกคิดของคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือาศาสนาฮินดูจะถือว่าโคก็คือพระเจ้า ซึ่งเขาเรียกว่าภักวันเขากำลังนอนคิดถึงภควันและกำลังจะตามไปอยู่ด้วยอา น, นิจจาเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเชื่อถือปฏิบัติมาจนตลอดชีวิตนั้นไม่ได้มีความจริงรองรับเขากำลังจะตายในอีกสามชั่วโมงข้างหน้าและไม่ได้ไปอยู่กับภควันเหมือนที่คิดเพราะผู้ที่มีความคิดผิดไม่อาจไปเกิดในสุคติภูมิได้ ดังปรากฏหลักฐานในวัดชโคตตสูตรที่วัดชโคตรปริภาชคทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่นับถือลัทธิเดียรถีนั้นสามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้ยังไม่เคยพบหรือทราบว่าคนเหล่านั้นจะเข้าถึงสวรรค์ได้น่าสงสารคนอินเดีย ที่เกิดในแดนพุทธภูมิแต่กลับไม่ได้รับของดีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตท่านพระครูอยากช่วยชายชาราหากก็ไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยเขาได้ชายชาราผู้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมาทั้งชีวิตท่านไม่อาจเปลี่ยนให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิได้เลยและหากท่านจะให้เงินเขาสักร้อยรูปี ก็จะถูกคนที่แข็งแรงกว่ามาแย่งเอาไปด้วยว่าเขาไม่มีเรียวแรงพอที่จะป้องกันเงินนั้นไว้เป็นของตนได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงต้องวางอุเบกขาและคิดในใจว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอะเมื่อลงจากรถและตรวจตราสิ่งของสัมภาระครบถ้วนแล้ว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 ที่อาตมาแจากให้คือแปลงสีฟันแขกทำจากไม้เสดาคือเอากิ่งเสดามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นำมาขายอัลละยี่สิบเปซ่าคือยี่สิบสตางค์ไม้สีฟันเนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเวลาเช้าพระอนุนจะจัดเตรียมไม้สีฟันไว้ถวายพระพุทธเจ้าวิธีสีฟันก็คือให้เคี้ยวปลายด้านหนึ่งด้านใดให้แหลก เคี้ยวไปเคี้ยวมาฟันก็จะสะอาดไปเองลองทำดูท่านพระครูทำดังที่พระมกุเทศแนะนำเมื่อเคี้ยวไม้สดาได้สัมผัสกับรสขมที่ท่านเคยชินเพราะดื่มน้ำชาที่ทำจากต้นลูกใต้ใบเป็นประจำรสขมจากสดายังน้อยกว่าความขมของลูกใต้ใบเป็นไหนๆขมจังเลยค่ะ ทำไมพระพุทธเจ้าท่านทนได้โยมอายุน้อยที่สุดอดครวนพระมกุเทศจึงอธิบายว่าเพราะพระองค์ไม่ทรงติดในรถเหมือนปุทุชนคนทั่วไปญาติโยมอย่าลืมว่าการที่เราจะได้พบสิ่งที่ดีงามในชีวิตจะต้องแลกด้วยความยากลำบากพูดง่ายๆก็คือต้องเอาความทุกข์เข้าแลกถ้าพระองค์ทรงติดอยู่ในความสุข ก็จะไม่สามารถตรัสรู้เป็นาศาสดาเอกของโลกได้ที่ทรงสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้กับโลกปพระสรงทนต่อความยากลำบากได้เพราะฉะนั้นถ้าใครทนความขมของไม้แสดาได้เท่ากับได้สร้างขันติบารมีเรามาแสวงหาบุญครั้งนี้ก็เพื่อมาสร้างบารมีท่านพระครูรู้สึกว่าพระมกุเทศอ้างเหตุผล ไม่ค่อยจะสมเหตุผลเท่าใดนักหากก็พอฟังได้คาอธิบายของพระเจริญทำให้พระคฤือหัดตั้งหน้าตั้งตาสีฟันด้วยการเคี้ยวไม้สดาวจนน้ําลายเต็มปากพูดไม่ได้มีแต่พระมะกุเทศเท่านั้นที่ไม่ได้เคี้ยวไม้สีฟันเพราะท่านต้องการทำหน้าที่บรรยายและท่านก็บรรยายมาตลอดทาง ประทั้งรถบัสแล่นมาจอดที่หน้าประตูทางเข้าด้านทิศใต้ของวัดไทยพุทธคยาซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงบว ท, ทรงไทยที่ตั้งตระงานอยู่ทางซ้ายมือของประตูทำให้คณะผู้สแสวงบุญจิตใจชุ่มชื้นขึ้นต่างพากันยกมือไหว้หากก็มีอาจเปร่งเสียงสาธุออกมาเพราะน้ำลายเต็มปาก แขกตัวผอมๆอายุราว20เดินแกมวิ่งมาเปิดประตูเหล็กซึ่งกว่าจะเปิดได้ก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีเพราะต้องไขกุญแจทีละลูกประตูที่คล้องด้วยโซ่ขนาดใหญ่แล้วก็ใส่กุญแจลูกใหญ่ไว้ถึง3มลูกเมื่อประตูเปิดโชเฟอร์จึงนำรถบัสมาจอดที่ตรงประตูของอาคารชั้นเดียวที่สร้างโดยคอนกรีตพระเจริญบอกให้ทุกคนลงจากรถ เพื่อเตรียมตัวเข้าที่พักสิ่งแรกที่ทั้งพระและคารือหัดรมเมื่อลงจากรถคือเดินไปบ้วนน้ำลายลงที่พื้นดินบ้วนแล้วก็รู้สึกว่าปากและฟันสะอาดขึ้นพระมหาฉลองกรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธกยาออกมาต้อนรับคณะผู้สแสวงบุญและพาไปกราบท่านเจ้าคุณบุญเลิศซึ่งเป็นเจ้าอาวาสทักทายปราศัยกันพอหอมปากหอมคอแล้ว ท่านเจ้าคุณก็บอกให้ทุกคนไปเข้าที่พักแขกชายหญิงสีห้าคนมาช่วยกันขนกระเป๋าเดินทางไปส่งตามห้องแม่ครัวให้เด็กนมสามคนที่มากับรถช่วยขนอาหารแห้งที่นำมาจากเมืองไทยไปไว้ในห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารจากนั้นจึงเข้าครัวเพื่อไปทำอาหารเลี้ยงคณะผู้สแสวงบุญโดยมีผู้นำทัวร์และแม่ชีสองคนช่วยทา ส่วนคนขับรถทำอาหารเองโดยใช้เตาน้ำมันก๊าที่นำติดตัวมาระหว่างที่รอแม่ครัวทำอาหารคณะผู้สแสวงบุญซึ่งได้ห้องพักกันครบทุกคนแล้วก็พากันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคนที่ทนหนาวไม่ได้ก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดหน้าตาเนื้อตัวให้สะอาดสะอ้านขึ้นส่วนคนที่เหนื่อยมาก ก็ถือโอกาสงีบเอาแรงไว้ก่อนท่านพระครูได้พักห้องเดียวกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองสงน้ําก่อนแต่ภิกษุวัยหกเศษขออนุญาตงีบเอาแรงสัก20นาทีท่านจึงต้องสงน้ําก่อน15นาทีผ่านไปท่านก็นุ่งห่มอย่างเรียบร้อยจึงเปิดประตูออกไปเดินสำรวจวัด เห็นพระมหาฉลองยืนคุยกับพระมกุเทศอยู่กลางสนามหญ้าจึงเดินไปร่วมวงด้วยหลวงพ่อนิมนต์ทางนี้ครับพระเจริญนิมนต์เมื่อเห็นท่านเดินตรงมาโยมเสงอับน้ำเสร็จเห็นท่านพระครูเดินตรงไปยังสนามหญ้าจึงเดินตามหลังท่านไปกำลังคุยอะไรกันอยู่ผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าท่านพระครูถามด้วยเกรงจะเสียมารยาท กำลังวิจารเจ้าทุกโขกันอยู่ครับอยากรู้ว่ามันทำกรรมอะไรไว้ถึงได้เป็นอย่างนี้พระมหาฉลองพูดพลางชี้ไปที่หนุ่มแขกซึ่งนั่นตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆห่างออกไปอีกประมาณหเมตรแขกอีกคนหนึ่งกำลังตัดหญ้าอยู่เช่นกันท่านพระครูมองตามก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทย หนุ่มแขกที่กําลังนั่งตัดหญ้าอยู่นั้นข้างหน้าของเขามีก้อนอิฐสองก้อนวางซ้อนกันอยู่ขณะที่ตัดหญ้าเขาพาดลูกอันทะซึ่งมีขนาดใหญ่โตผิดปกติไว้ที่ก้อนอิฐเมื่อตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าเสร็จก็จะขยับก้อนอิฐไปข้างหน้าแล้วขยับตัวตามดูทุลักทุเลท่านพระครูรู้สึกสงสารจนต้องกําหนด สงสารหนอในใจแล้วคนโน้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าท่านหมายถึงแขกอีกคนที่กำลังตัดหญ้าอยู่ไม่เป็นครับเจ้าหมอนั่นชื่อไกรรูเป็นพ่อของเจ้าทุกโขกรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธกยาบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างแขก ทั้ ง, งคนชื่อไม่เป็นมงคลทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำไมท่านไม่ตั้งชื่อให้เขาใหม่ล่ะครับโยมเสงิงถามอาตมาก็อยากจะตั้งเหมือนกันแต่เจ้าตัวไม่ยอมเขาว่าพระเจ้าท่านให้มาอย่างนี้จะเปลี่ยนไม่ได้พระเจริญตอบและก็พูดกับท่านพระครูว่าสำหรับผมผมไม่ติดใจเรื่องชื่อ แต่มันติดใจสงสัยทำไมเจ้าทุกโขมันถึงมีห้ำใหญ่โตขนาดนั้นเฮ้ยทุกโขของเองมันหนักมากนักรึถึงต้องใช้ก้อนอิฐมารองไว้ท่านถามหนุ่มแขกด้วยภาษาไทยหนุ่มแขกก็ตอบว่าพันเตไม่เป็นอย่างผมบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบ้าง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 เจ้าไกรูมาทำงานที่นี่ตอนโตแล้วแต่เจ้าทุกโขมาตั้งแต่เป็นเด็ ก, เ ด, กเด็กเขาจำเก่งแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่อาตมาเห็นเจ้าทุกโขมาสิบปีแล้วตอนนี้เองก็อายุ18แแล้วสินะทุกโขเพราะข้าเห็นมาตั้งแต่เอง8ดขวบครับพันเตนุ่มแขกวัยสปดตอบ อายุ28เองหรือผมนึกว่า 25-26 ยสโยมเสงไม่อยากเชื่อเพราะหลานชายคนโตของเขาอายุ18แต่ดูเด็กกว่านายทุกโขหลายปีพระฉลองจึงพูดจากประสบการณ์ที่อยู่ประเทศนี้มา1ิปีเศษว่าคนแขกโตเร็วแก่เร็วกว่าคนไทยเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยความทรหดอดทน ต้องต่อสู้กับความหนาวร้อนของดินฟ้าอากาศหน้าหนาวก็หนาวจัดจนคนตายหน้าร้อนก็ร้อนจัดจนควายตายส่วนคนที่กลายเป็นบ้าแต่ก็บ้าไม่นานพระหมดหน้าร้อนก็หายบ้าหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆนะโ ย, ยมที่เราพูดกันว่าร้อนเป็นบ้านอะอัตมาเพิ่งได้ประจักษ์ในเมืองแขกนี่แหละ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 ไม่ยาวงโงงงามเหมือนเขาควายบ้านเราส่วนควายทางเหนือเขาเรียกว่าควายหิมะรูปร่างก็ดูดีกว่าควายเมืองร้อนขนของมันยาวและเส้นละเอียดมันจะหวงขนของมันมากที่เราพูดกันว่าจามรีหวงขนจามรีก็คือควายหิมะนี่แหละพระมหาฉลองอธิบาย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 ครึ่งคนครึ่งนกท่านพระครูลงความเห็นสัตว์หิ ม, มพานมีจริงเหรอครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นเสีย อ, อีกโยมเสงพูดด้วยความประหลาดใจตอนอาตมาเป็นเด็กก็ไม่เชื่อยังพูดกับโยมยายบ่อยๆว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกโยมยายเล่า ว, ว่าหลวงพ่อช้างท่านไปส่งแขกที่ป่าหิ ม, มพาน ท่านเห็นสัตว์หิ ม, มะพาหลายชนิดรวมทั้งกินนอนและกินนารีด้วยตอนนั้นอาตมาไม่เชื่อหลังจากมาบวชและก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคาภีสาคัญทางพระพุทธศาสนาบวกกับการปฏิบัติกรรมฐานอาตมาถึงได้เชื่อบัตรนี้อาตมาเชื่ อ, อยังไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปกินนอนกินนารีมีแน่นอน ในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จนครกรบิลพัทครั้งแรกในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้ในวันที่สได้เสด็จไปโปรดพระนางพิมพาเทวีทรงแสดงจันทกินนอนทรงแสดงจันทกินนอนชาดกโดยพิสดารโปรดพระนางพิมพาเทวีให้สร้างโศกจันทกินนอนชาดก เป็นเรื่องของพระองค์ทั้งเสวยพระชาติเป็นกินนอนและพระนางพิมพาเทวีเป็นกินนารีอาตมาจึงเชื่อว่าสัทธิมพานมีจริงท่านไม่บอกว่าได้ใช้เห็นหนอช่วยพิสูจน์อีกทางหนึ่งด้วยโยมเสงผูพูดอย่างปิติว่าผมโชคดีมากที่ได้มาสแสวงบุญในครั้งนี้คิดว่า ถ้ายังพอมีเรียวแรงจะมาอินเดียทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยท่านโชคดีมากนะครับที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิประโยคหลังเขาพูดกับพระมหาฉลองอาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่า ตัวเองโชคดีหรือว่าโชคร้ายที่ได้มาอยู่ที่นี่จะว่าไปแล้วก็คือทั้งโชคดีและโชคร้ายระคนกันรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธกยาพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้หลวงพ่อครับเจ้าทุกโขมันมีกรรมอะไรถึงได้มีห้ำใหญ่โตอย่างนี้พระเจริญถามพระครูเจริญ หลังจากที่เป็นฝ่ายฟังมานานเลยถูกพระมหาฉลองยาววาอ้าว่าอ้าวยังไม่จบเรื่องเจ้าทุกโขอีกหรืหลวงพ่อว่าเจ้าหนี่มีกรรมอะไรครับท่านขอคําตอบจากสมภารวัดป่ามะม่วงท่านคิดว่าเขามีกรรมอะไรล่ะเท่าที่ผมทราบเขาถูกยุงกัดตรงนั้นครับ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 ก็มียุงอีกชนิดหนึง่งหากกัดที่ลูกอันทะก็จะทำให้เป็นโรคห้ำ้างเจ้าทุกโคมันริเดิมเหล้าตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามผมห้ามมันก็ไม่ฟังพอเมามันก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยนอนตามระเบียงโบทบ้างตามซอกประตูหน้าต่างบ้างก็เลยถูกยุงกัดยุงเมืองแขกร้ายมากครับหลวงพ่อ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 เป็นกรรมปัจจุบันของเขาสำหรับผมผมขอสันนิษฐานว่าในอดีตชาติเขาจะต้องทำกรรมไว้และการที่ต้องมาเป็นเช่นนี้ก็เพราะเศษกรรมหลักฐานที่ผมนำมาอ้างือในลักษณะสังยุตนิทานวักสังยุตานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อที่189 แสดงไว้ว่าการไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเพราะเศษกรรมคือเมื่อมนุษย์ทำบาปหยาบช้าไว้ครั้นตายไปก็ไปเกิดในนรกครั้นพ้นจากนรกแล้วก็ยังไม่สิ้นบาปกรรมที่ทำมาก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์อยู่ต่อไปตัวอย่างเช่นเปรตตนหนึ่งมีอวัยวะลับโตท่อหม้อน้ำขนาดใหญ่ ต้องเดินแบกขึ้นคอไปหรือต้องนั่งทับเพราะเศษกรรมที่ครั้งเป็นมนุษย์ได้ช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองเคยเป็นอมาศผู้วินิจฉัยความรับสินบนในที่ลับแล้วก็สั่งให้วินิจฉัยความบิดเบือนความจริงทําให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเศษกรรมที่รับสินบนในที่ลับจึงส่งผล ให้อวัยวะลับปรากฏใหญ่โตต้องเป็นภาระในการแบกไปเท่ากับแบกความทุกข์ทรมานเหมือนกับทิดทำให้คนอื่นทุกข์ท่านพระครูอธิบายตามคำพีพระไตรปิฎกโอ้โหหลวงพ่อเก่งจังจำเล่มจำข้อในพระไตรปิฎกได้ด้วยทำให้ผมนึกถึงท่านเจ้าคุณโชดก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 ก็รู้ว่าสองพ่อลูกอายุไม่ยืนอีกสิบปีคนพ่อจะตายด้วยโรคชราจริงอยู่แม่อายุไม่มากแต่ชราก็มาปรากฏเพราะตรากตรำกับชีวิตมากเกินไปคนพ่อตายได้สามเดือนลูกชายก็จะตายตามด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังท่านเห็นกรรมของสองพ่อลูกอย่างแจ่มแจ้ง นางสาวสายใหญ่รักซึ่งอายุน้อยที่สุดในคณะผู้สแสวงบุญอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเป็นคนแรกจึงเดินไปยังห้องโถงเพื่อรับประทานอาหารผู้นำทัวร์จึงวานให้นิมนต์พระกุเจ้าสองรูปที่กำลังยืนคุยกับพระมหาฉลองอยู่ที่กลางสนามมาฉันเช้าเมื่อหล่นเดินเข้าไปใกล้ก็ถูกโยมเสงงโบกมือห้ามอย่าเข้ามา หนูอยากเข้ามาหญิงสาวไม่เข้าใจจึงหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นโยมเสงมีความปรารถนาดีไม่อยากให้หล่อนมาเห็นของดีที่ไม่ดีของนายทุกโขนันตัางหาก